สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัก ร, รคุณชอบเล่าวันนี้ในหมวดของเรื่องลี้ลับขอนําเสนอเรื่องของทางบ้านบ้าง น, นะครับเป็นเรื่องราวของท่านสมาชิกที่ได้กรุณาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ผมได้นํามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อนะครับเรื่องราวประสบการณ์ของท่านสมาชิกท่านนี้จะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่เกี่ยวกับผมนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าเด็กมากแต่สําหรับผมเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําให้ผมจําได้จนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในเวลานัณขนาดนั้นครอบครัวของผมถือว่ายากจน mm. พ่อแม่ของผมมีอาชีพรับจ้างกรีดย่างทั่วไปและด้วยอาชีพอย่างนี้จึงทําให้พ่อแม่ของผมต้องย้ายแหล่งทํางานไปเรื่อยๆตามแต่ที่นายจ้างจะจ้างไปอ้ผมลืมบอกไปครับว่าผมมีพี่น้องอีกสองคนคือน้องชายกับน้องสาวซึ่งเป็นคนสุดท้อง ด้วยเหตุที่พ่อและแม่ของผมจะต้องย้ายที่ทํางานอยู่บ่อยๆก็เลยทําให้ครอบครัวของผมนั้นจะต้องกระเตงกันไปเรื่อยๆไปพักอยู่ในสวนของนายจ้างเบอร์ครั้งที่ที่อยู่ของครอบครัวเราจะเป็นขนมน้อยในสวนยางก็คือลักษณะจะเป็นบ้านเล็กๆที่มีห้องเดียวกันด้วยไม้ไผ่สารหรือแม้กระดานซึ่งแต่ละครั้งที่พวกเรานอนรอคอยพ่อแม่ของเราที่ออกไปทํางานก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพ่อแม่ของผมจะออไปกรีดยางในเวลาตีหนึ่งเป็นต้นไป ละทุกครั้งที่พ่อกับแม่กลับมาผมก็จะได้ยินเสียงของรองเท้าบูทกับแสงของตะเกียงที่ส่องมาให้เห็นว่าท่านทั้งสองได้กลับมาแล้วบรรยากาศของสวนยางโดยธรรมชาติมันเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่แล้วบางแห่งที่พ่อกับแม่ของผมไปรับจ้างและครอบครัวของผมจะต้องเข้าไปพัดอยู่อาศัยหลายสวนจะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นระหว่างแนวยางจึงทําให้สวนนั้นดูครึมและน่ากลัวเนื่องจากขาดการดูแลจากเจ้าของไม่มีใครเข้าไปแพลาถาง บางสวนนั้นก็จะดูสบายตาโล่งเพราะได้รับการดูแลอย่างดีแต่สวนย่างในสมัยนั้นว่า ง, ง่ายๆมันก็คือป่านั่นเองแม้ในเวลากลางวันมันก็ยิงดูวังเวงและในเวลากลางคืนล่ะความน่ากลัวนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจึงทําให้ผู้ที่มีอาชีพกรีดยางทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่พ่อและแม่ของผมทุกครั้งเวลาได้ออกไปกรีดยางก็มักจะกรีดอยู่ใกล้ๆกันและจะเดินทิ้งไม่ห่างกันมาก เพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกันและไม่ต้องกลัวกับบรรยากาศของสวนยางเวลาในยามวิเวกที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะมีแต่ความมืดความวังเวงที่พร้อมจะทําให้ผู้ที่อยู่ตรงนั้นมโนไปได้ต่างๆนาน า, นาแต่พ่อกับแม่ผมนั้นคงจะชินแล้วแหละและเรื่องที่ผมต้องจดจําจนมาถึงทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่พ่อได้พาครอบครัวของเราไปอยู่ที่จังหวัดชุมพรเพื่อไปรับงานกรีดยางโดยที่นายจ้างหรือเจ้าของสวนยางนี้ได้จัดที่พักให้กับครอบครัวเรา ให้ไปพักกันอยู่ในสวนทุเรียนซึ่งตรงกันข้ามกับสวนยางที่พักนั้นจะมีลักษณะก็คือเป็นเนินสูงสูงที่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่มากไปลักษณะบ้านไม่มีใต้ถุนสูงประมาณ1เมตรภายในตัวบ้านนั้นจะมีห้องโถงกลางห้องนอนหนึ่งห้องห้องเก็บของและก็ห้องครัวด้านหน้าก็มีระเบียงกว้างพอประมาณมุมระเบียงก็จะมีที่รับมีดซึ่งถือว่าเป็นอาวุธของอาชีพของพ่อและแม่ บ่อยครั้งที่พ่อต้องย้อนกลับมารับมีดในตอนดึกๆในจ้างของพ่อซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางกับสวนทุเรียนนั้นเป็นคนที่ใจดีมากทําให้ครอบครัวของผมมีทุเรียนฟรีกินกันโดยเจ้าของนั้นอนุญาตเต็มที่ส่วนบรรยากาศรอบๆ บ, บ้านที่พวกเราพักนั้นก็จะมีสวนกาแฟสวนทุเรียนเพื่อนบ้านหรือบ้านอื่นๆ น, นั้นก็จะอยู่ห่างกันออกไปตามแบบของชนบทที่มักจะปลูกบ้านอยู่ห่างกันซึ่งถือว่าห่างกันมากพอสมควร ที่ใกล้ที่สุดก็เห็นจะมีแต่บ้านร้างหลังหนึ่งเวลากลางวันดูวังเวงแล้วเวลาตกกลางคืนยิ่งน่ากลัวมากผมและน้องอีกสองคนต้องนอนรอคอยพ่อกับแม่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดวังเวงเสียงของลมที่พัดกับกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่อยู่ภายในสวนนั้นก็ชวนให้ความคิดหลอนไปได้แต่ในวัยนั้นผมเองก็ไม่ได้หลอนจะถามว่ากลัวไหมก็กลัวกันตามประษาเด็กแต่ด้วยความที่เป็นพี่คนโตจึงต้องทําว่าเข้มแข็งไว้ แต่แล้วคืนแห่งความทรงจำคืนหนึ่งที่ทำให้ผมต้องจำมาจนถึงทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นในะสวนทุเรียนแห่งนั้นคืนนั้นเป็นคืนที่พ่อกับแม่ต้องออกไปกรีดยางตามปกติของท่านจำได้คืนนั้นผมมีอาการงงเงียระรับตื่นๆระหว่างท่านเตรียมตัวจะออกไปเจ้าหน้องสองคนนั้นหลับสนิทปุ๋ยไม่รู้เรื่องมองเห็นพ่อกับแม่แค่นั้นผมก็หลับต่อหลับไปสักพักใหญ่ๆผมก็ต้องมาสะดุง้งตื่นเพราะาได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง เสียงที่ได้ยินนั้นมันดังมาจากหน้าบ้านมันเป็นเสียงที่ชวนหลอนมากๆคล้ายๆกับเสียงของการเสียดสีวีดวีดเหมือนกับการรับมีดแต่เสียงมันจะแหลมกว่าและก็เย็นผมนอนลืมตาขึ้นตั้งใจฟังเสียงนั้นคิดในใจสงสัยว่าพ่อคงจะกลับมารับมีดเสียงวีดวีดวีดนั้นก็ยังอยู่ใจก็คิดว่าจะตะโกนออกไปแต่ก็มา น, นึกเอะใจได้ว่าถ้าเป็นพ่อเราก็ต้องมีแสงไฟสิ แต่นี่ทำไมไม่หนมีแสงอะไรเลยเสียงเดินก็ไม่มีเสียงอะไรอื่นก็ไม่มีเลยที่จะให้ได้ยินความคิดนั้นเริ่มสับสนเริ่มสงสัยว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรระหว่างที่คิดนั้นมันก็ยินดังวีดวีดไม่หยุดและยิ่งเมื่อความคิดนั้นรู้ว่าไม่ใช่พ่อบรรยากาศรอบตัวก็เย็นขึ้นเสียงนั้นก็ยิ่งฟังวังเวงเพราะจากที่วีดเบาๆมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เสียงวีดนั้นก็มีความถี่ที่เร็วขึ้น เร็วขึ้นเร็วขึ้นตามลำดับเมื่อความเร็วและความดังบันดังขึ้นสุดขีดก็มีเสียงแกวักระหว่างที่นอนฟังด้วยอาการหนาวเย็นแต่เหงื่อแตกอยู่นั้นสําเนืองตาไปมองดูน้องทั้งสองคนมันก็ยังหลับปุ๋ยคิดในใจทําไมเราได้ยินแค่คนเดียวน้องทั้งสองคนทาไมถึงไม่ได้ยินคิดจิงไปทันจะจบเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแล้วก็ดังแบบเดิมจากเบาๆแล้วก็ดังจากช้าแล้วก็ทีและสุดท้ายก็ดังแกวัก ผมต้องนอนฟังตัวแข็งเหงื่อแตกอย่างนั้นไม่ใช่แค่รอบเดียวหรือว่าสองรอบแต่มันหลายรอบมากสิ่งที่ผมได้ยินนั้นไม่ใช่สิ่งที่เบาแต่เหมือนเจอดจงว่าให้ผมได้ยินคนเดียวมันอะไรมันเสียงอะไรความคิดสับสนไปหมดผมค่อยๆคลานเอามือไปปิดปากน้องทั้งสองคนไว้ด้วยความคิดแบบเด็กๆในเวลานั้นคิดว่าทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้ไอาตัวที่มันส่งเสียงอยู่ข้างนอกนั้นหรือว่ามีเพื่ผมนอนอยู่ข้างในแต่น้องชายคนรองของผมนั้นเป็นคนนอนดิน้นเสียงดัง หรือเมื่อน้องดินก็เกิดเสียงจากการนอนบนเสื่อที่ปูบนพื้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินจากไอตัวข้างนอกนั้นเงียบใจผมขณะนั้นเต้นแรงมากเงื้อแตกเวลาขณะนั้นมีความรู้สึกว่ามันยาวนานมากและทรมานมากเมื่อเสียงที่ได้ยินข้างนอกนั้นเงียบลงไปสักครู่ใจผมค่อยๆเบาและผ่อนคลายลงแต่ก็ยังเกร็งเกงค่อยคอยลุกขึ้นอย่างเบ า, เ, บาเดินจิกปลายเท้าแบบขยิงได้คิดว่าจะเบาได้ที่สุดแล้วที่ชีวิตจะทําได้ จ้องไปที่โถงกลางเลยจากตะเกียงไปจนถึงประตูใกล้ประตูจะเป็นไม้ที่กั้นไว้พอจะมองลอดออกไปข้างนอกได้ค่อยๆแนบสายตาสอดสายไปมาเพื่อจะหาที่มาของเสียงพยายามจะเอียงหัวเพื่อจะให้มองเห็นมุมระเบียงซึ่งจุดนั้นก็คือที่ที่พ่อจะต้องมารับมีดแต่เมื่อมองไปก็ไม่เห็นอะไรเลยความมั่นใจก็เกิดขึ้นว่าเสิยงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เสียงคนหรือว่าเสียงสัตว์แน่ๆแล้วก็หันหลังกลับด้วยความหลอน ค่อยๆย่องกลับไปที่ห้องนอนเมื่อไปถึงห้องนอนจากนั้นก็นอนลงเอามือก่ายกอด น, น้องทั้งสองไว้คิดในใจว่าคงไม่มีอะไรอีกแล้วแต่เมื่อนอนได้สักครู่เสียงนัน้นก็เริ่มดังขึ้นอีกวีดวีดมันคือเสียงวีดที่ดังขึ้นเรื่อยๆและครั้งนี้มันไม่ได้ดังที่หน้าบ้านมันมาดังอยู่ข้างหูของผมเพราะตำแหน่งที่ผมนอนนั้นติดฝาผนังบ้านสิ่งที่กั้นอยู่ระหว่างผมกับเจ้าของเสียงนั้น ก็คือกระดานไม้เก่าๆเท่านั้นเสียงที่ดังกับบรรยากาศที่หลอนมันไม่ได้ทําให้น้องทั้งสองคนของผมนั้นรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยเสียงดังแบบหลอกหลอนและวังเวงยังดังต่อไปไม่หยุดความกลัวในเวลานั้นทําให้ผมร้องไห้น้ําตาไหลถ้าจะบอกกันตรงๆก็คือไม่อยากจะเป็นบ้าเพราะไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่มันโหยหวนระหว่างผมกับไม้กระดานนั้นมันคือตัวอะไรนอนร้องไห้เงือแตกสติสับสนอยู่ในสภาพนั้นอยู่นาน ไม่รู้ว่านารกเป็นยังไงแต่สําหรับผมณนะเวลานั้นผมเรียกว่านารกหลังจากที่ต้องทนฟังแบบสมเพศเวทนาตัวเองอยู่นานเสียงชวนหลอนนั้นอยู่ๆก็เงียบไปพร้อมกับที่ผมได้ยินเสียงฝีเท้าของคนที่สวมบูธและสายตาก็เห็นแสงไฟที่ส่องวับวับแบมๆเข้ามาในบ้านความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนเห็นแสงจากสวรรค์เสียงของรองเท้าบูธก็เหมือนกับเสียงจากสวรรค์เพราะมันเป็นเสียงของรองเท้าพ่อแม่ผมนั่นเอง อาการแบบโคตรดีใจและโล่งใจยังหาที่เปรียบไม่ได้บังเกิดขึ้นกับตัวผมพ่อแม่กลับมาแล้วพอท่านเปิดประตูเข้ามาผมก็เดินไปหาปล่อยโฮเลยร้องไห้แบบสติสตังหลุดเมื่อพ่อกับแม่ปลอบเสร็จผมก็หมดความกลัวหยุดร้องไห้แล้วท่านก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมจริงได้เล่าให้ท่านฟังทั้งที่ยังเสื่อมื่อเมื่อพ่อได้ฟังพ่อก็พูดขึ้นช้าๆมาว่ามันเป็นเสียงของไก่ที่นอนอยู่ใต้ถุนไม่ใช่เสียงของอะไรหรอกผู้จบก็หัวเราะ นั่นคือคําตอบที่ท่านคิดว่าผมคงจะหายกลัวเพราะต้องอยู่กับที่นั่นอีกนานและตั้งแต่คืนนั้นผมก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนั้นอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพ่อหรือแม่ได้ทําอะไรหรือเปล่าผมไม่อาจจะทราบได้แต่หลังจากที่จบงานที่สวนนั้นและเราได้ย้ายกันออกมาแล้วพ่อก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าจริงๆแล้วบ้านนั้นเท่าแก่บอกกับพ่อว่าเคยมีคนมากรีดยางเป็นผู้ชายโดนยิงตายอยู่ที่หน้าบ้านพ่อรู้ตั้งแต่แรกแต่ไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งแม่ ท่านคิดประเสียงนั้นเป็นเสียงของอะไรครับสําหรับผมแล้วไม่ใช่เสียงไก่อย่างแน่นอนและนี่ก็คือประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเมื่อครั้งที่เป็นนอนที่ศูนย์ทุเรียนกับครอบครัวครับครับและนี่ก็คือประสบการณ์ของคุณแบงค์นะครับท่านสมาชิกที่น่ารักของทกกรคนชอบเล่าที่ได้กรุณาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ฟังกันครับหวังว่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณแบงค์จะทําให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ